พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่4กันยายน2560มีชื่อเรื่องว่าอยู่กับปัจจุบันแบบมีคุณค่าอ้าวลูกหลานอยู่ในความสงบ วันนี้เป็นวันจันทร์ที่สี่กันยายนพุทธศักราช2560วันนี้หลวงพ่อก็ได้ถามพระว่าทำไมออกมาฉันข้างนอกเป็นวันจันทร์พระเขาเขาก็ให้เหตุผลว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันศาสตรวันทาบุญฉลากระพัดเป็นวันศาสตร์ไทย ก็ว่าศาสต์ไทยครับนี่หลวงพ่อพูดเองนะแต่ว่าเป็นทําบุญข้าวฉลากกระพัดวันพุ่งนี้เป็นวันเดือนสิบแผ่นเป็นวันพระใหญ่แล้วก็เป็นวันอุโบสถ ด, ด้วยพระเขาเลยบอกว่าถ้าว่าวันนี้เอาไปฉันข้างในวันพุ่งนี้ก็มาเตรียมการก็ยากก็เลยมาออกมาฉันข้างนอกวันนี้หลวงพอ่เอเขาเห็นด้วยมีเหตุผล วันนั้นวันพุ่งนี้แจ้งข่าวพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่เคยมาวัดของหลวงพ่อก็นั่นทำบุญตักบาตรตามประเพณีทุกปีที่ผ่านมาผู้ที่พลาดเดือนเก้าดับที่ผ่านมาไม่ได้ทำบุญหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายปงสาคณาญาติญาติมิตรสหาย แล้วก็วันพุ่งนี้แหละเป็นทําบุญอีกอรอบที่สองแต่ผู้ที่ทารอบที่หนึ่งแล้วก่อนมาทำรอบที่สองต่ออีกก็ได้ผู้ที่ไม่ได้ไม่ได้มารอบที่หนึ่งไม่ควรจะพลาดรอบที่สองเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนของพวกเราพอบันพชนของพวกเราก็เคยทําบุญมานมนานตั้งแต่แต ท่านเกิดมานะะท่านเกี่ยวกับวัดวาศาสนานะพอถึงเทศกาลวันข้าวประดับดินบุญข้าวฉลากคนเฒ่าคนแก่ผู้ยญาตายายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงพ่อนะเนี่ยเนะี่ยแหละพอถึงวันอย่างนี้จะไปเป็นเด็กผู้เฒ่าผู้แก่ก็ต้มข็ต้มขนมตามปกติก็ไม่ค่อยมีนะต้มข้าวต้มนะนะทำของหวานแต่พอมาถึงช่วง ช่วงเทศกาลอย่างนี้น่ะในคนในครอบครัวกับแต่ละครอบครัวกขาจะละหุกจะระวนวุ่นวายาจัดการเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้คือเป็นประเพณีมาตั้งแต่เก่าแก่หลวงพ่อก็เห็นอยู่ตลอดสมัยเป็นเด็กแต่ทุกวันนี้ก็คงจะเช่นเดียวกันวันนั้นถือว่าผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นเก่าถึงวันเช่นนี้เขาก็ตื่นตัว ถือว่าเป็นวันศาสตร์หรือว่าเป็นวันสร้างบุญสร้างกุศลในครอบครัวเพาะนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเมื่อท่านห่วงรับดับขันตายไปก่อนเราพวกเราท่านถ่าว่าท่านตกทุกข์ได้ยากอยู่ท่านก็คงจะเพ่งมองมาในจุดนี้เหมือนกันนะออลูกหลานได้ทําบุญหาอุทิศหาผู้ฆ่าพัวนอเนี่ เพราะว่าผู้ฆ่าเนี่ยเคยทำบุญมาวันข้าวประดับดินบุญฉลากกระพัดแรือวันออกพรรษา เ, เคยทำบุญแต่ลูกหลานได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ข้าบ้างหรือเปล่าหน้าเนี่ยแต่ถ้าว่าคนที่คนที่รวยนะคนที่รวยจะไม่ระลึกถึงใครง่ายๆแต่คนที่จนเนี่ยต้องระลึกถึงญาติพี่น้องนะ อันนี้เป็นธรรมชาติของวิญญาณของดวงใจทุกดวงถ้าว่าตกทุกข์ระยะขึ้นมาแล้วก็คิดหาคนช่วยล่ะคิดหาพี่หาน้องหาวงสาคณาญาตหาผู้ที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้าหาว่าเรามีความสุขอยู่แล้วโดยมากจะมองไม่เห็นใครง่ายๆ เ, เว้นเสียแต่ว่าคนนั้นมาขอเราจึงมองมองไปดูคิดว่าคนอื่นก็คงจะมีความสุขอย่างเรา อันนี้ก็คือเป็นสัญชาติญาณของมนุษยชาตินี่แหละอันนี้ก็คือวันพรงนี่แหละเป็นวันทำบุญอุทิศสวนกุศลต่อเปแต่ญาติทั้งทั้งหลายขอฝากบอกกล่าวพวกเราทันทั้งหลายนะแล้วกัพระครูบาทั้งหลายก็ช่วยชวยกันดูอุปอุปกรณ์ในการนั่นแหละจะให้ขาดตกบกพร่อง แล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อก็เองพอฉันจงหจันเสร็จไปนู่นไปทอดผ้าป่าให้กับอำเภอสังคมเพื่อสร้างโรงพยาบาลสร้างอาคารหาชั้นนะให้กับโรงพยาบาลโอ้ก็ได้อูฟูอยู่นะศรัทธาญาติโยมนะแต่หล้านนี่กวกกว่านี่คิดว่าถึงแน่นะแต่ว่าหล้านน่จะถึงห ร, ห, รหรือไม่นะนะนะ แต่ก็ขนาดได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วะเศรษฐกิจอย่างนี้นะแล้วก็ภาพป่าอย่างนี้นะเราจึกว่าคนทั้งหลายก็ให้ความใ่ใจเนะพราะว่าสาธารณประโยชน์มันก็ต้องมองช่วยมองมองช่วยกันนั่นแหละเพื่อจะสร้างอาคารโรงพยาบาลของอำเภอสังคมเมื่อวานนีพ่อก็ได้ไปแล้วกลับมานะ ่นละก็วันพุ่งนี้มาจำถึงวันพุ่งนี้อีกทีนไหนก็ขอให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมเตรียมใจเราจะรักษาศีลภาวนาอย่างไรวันพุ่งนี้นะและก็พร้อมกันก็เจดี JD ขององค์หลวงตาด้วยในช่วงนี้นะหลวงพ่อนี่กล่าวประชาชัผพันให้ลูกหลานหลายเรื่องแล้วเกินแต่หลวงตาหลวงพ่อหนักใจไหม หลวงพ่อนะไม่ได้หนักใจนะลูกหลานนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟัง เ, เป็นการบอกกล่าวชี้นําบอกกล่าวท่านเองเอแต่พวกลูกหลานจะทํายังไงกับไม่ทํำยังไงกับเป็นหน้าที่พ่อหลวงพ่อนะเป็นหลวงปู่หลวงตาอันไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อลูกหลานต่อพี่น้องประชาชนก็ชี้นําชี้แนะนะแต่ว่าการชี้นําชี้แนะหลวงพ่อก็มั่นใจว่าไม่เสียหายแต่ถึงยังไงก็ตาม ส่วนที่จะทําหรือไม่ทํามากน้อยอย่างไรแค่ไหนอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องใช้ดุลยพินิษของแต่ละคนอีกต่างหากนะแต่ว่าก่อนที่ที่จะบอกไปในหลวงพ่อมั่นใจมั่นใจนะว่าในการสร้างบุญกับองค์หลวงตาเนะี่ยไม่ขาดทุนศุนท์นทัพย์ได้กําไรแน่หลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นจึงได้บอกกล่าวนะแต่ว่าถึงยังไง หลวงพ่อเองหลวงพ่อกันนะก็ช่วยทุ่มอีกเหมือนกันแต่ทราบว่าเนะมื่อวานหลวงพ่อก็ติดตามสอบถามนะข่าวที่ว่า JD เจดีหลวงไอ้กระินของโรงตานะที่จะทอดปีห0ศูนยเนี่ยเป็นไงไว้ธนาคารไดมากน้อยแคนายบอกกถามนะติดตามคือติดตาม เ, เขาบอก ได้หล้านกว่าแล้วครับให้ห้าล้านกว่าแล้วครับโอ้ได้ห้าล้านแล้วนะนี่แหละอันนี้ก็คื อ, อที่กรถิ่นที่จะทอดนะนะหลวงพ่อก็ไม่ได้นิ่งดูได้พยายามติดต่อประสานและก็บอกกล่าวนะแต่ทีอยังไงก็เนะ่ยก็คงอย่างมากอยู่แต่ที่อย่างไงก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาทุกคนก็ไม่ต้องหนักใจอีกเหมือนกันนั่นแหละอย่างที่หลวงพ่อย้ําแล้วบอกอีก สร้างบุญสร้างกุศลมันเป็นของทุกคู่ทุกคนผลในสุดเมื่อเราสร้างไม่ได้ถ้าเราสร้างได้ก็เออเป็นบุญวาสนาบา ร, รมีของหลวงตาเนาะบุญบา ร, รมีของหลวงตาเนี่ยกว้างขวางใหญ่โตเหลือเกิน ม, นมนีแต่คนมีศรัทธาแตาว่าเราบอกกล่าวประชาชพันธ์แล้วยังไงมันก็ขึ้นไม่ได้ทําไม่ได้เราก็โอ้หลวงตาคงไม่อยากจะให้สร้าง ใหญ่โตแลโหทานคงจะไม่อยากให้ทำมันเกี่ยวเข็นยังไงก็ไม่มกีก็ไม่มีใครมีศรัทธานะ <c oughs> เอา้ามันก็เป็นบุญบา ร, รมีของอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมือนกันนะลูกหลานนะมันไม่ใช่บุญบา ร, รมีของเราคนเดียวของเราคของเราเนี่ยก็ใช่เราผักดันเต็มที่ เ, เงินในกระเป๋าของเราก็พยายามทำแต่ว่า <c oughs> มัน เข็นไม่ขึ้นแล้วจะทํำยังไงฮะเราก็ต้องยกให้เป็นบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรียกว่าเป็นจุดจุดประสงค์บุญของหลวงตาท่านคงจะไม่อยากจะให้ทําให้สร้างกำมังฮะเราก็ต้องต้องยกให้ท่าน เ, าเราไม่ต้องทุกข์ใจถ้าเร า, เาไปทําอะไรไม่ได้อย่างใจตัวเองเ อ, เอคิดขึ้นมาแล้วกันนะ ไม่สำเร็จก็โตกใหญ่หลวงพ่อไม่เป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะหลวงพ่อรับได้ทุกสถานะลูกหลานทั้งหลายก็คงอยากจะให้อย่างหลวงพ่อหนะลวงพ่อบสบายใจนะทําไมจึงว่าทุกลับทับได้ทุกสถานะเอ้าโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ เ, เกิดขึ้นมาแล้วแก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บเพราก็ตายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอเนจังทั้งหมดเราจะไปถือมันยึดมันถือมันว่าเป็นตัวตนของเราเออ เราถูกแท้ๆนะถูกก็ได้อะไรถูกก็ได้ตายอย่างเก่าผิดก็ตายอย่างเก่าอ่แต่มองมองดูมองดูตัวเราเลยจิตอะไรอ่มองตัวดูตัวของเราเองแต่ละคนนะอ่เราพร้อมหรือยังคุณงามความดีเรามีหรือยังเรื่องเราแต่เพ่งมองแต่คนอื่นเขาแต่เพ่งมองแต่คนอื่นเขามันจะเกิดประโยชน์อะไรมันเรื่องของเขาไนะ แต่ไปเห็นตําหนิหมามันทำไมมันเดินสีขามันเป็นหมาท่านได้ยังไงวิญญาณเหมือนกันนี่จะไปตําหนิไปนั่งตําหนิหมาอยู่ช่องวีทั้งวันถ้าไม่ใช่โง่ไม่ใช่บ้าก็จะว่าอะไรอีกเลยนี้ก็เหมือนกันนะเราเป็นมนุษย์ผู้ได้รับการอบรมได้รับการศึกษาดีได้รับธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านวันนี้นะสรพพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะบาปกรรมเป็นผู้จําแนก ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาไม่เหมือนกันเราในคนนึ่กรรมของเราจําแนกให้เรามาเกิดเป็นอย่างนี้ให้เกิดเป็นหลวงพ่ออินอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาเป็นยังไงจนถึงมาถึงบัดนี้เป็นอย่างไรนี่แนหะกรรมกรรมดีกรรมชั่วหลวงพ่ออินเป็นผู้จําแนกให้มาเกิดนแต่พวกเรากคงจะคิดให้คิดอย่างหลวงพ่ออินเหมือนกันกรรมดีกรรมชั่วเป็นผู้จําแนกมาให้เราเกิดอ มาเกิดในภพภูมินี้มาถึงจุดนีนะ้แล้วมาถึงจุดนี้แล้วเราจะทำอย่างไรที่ผ่านมาเนะี่ยเราเป็นที่พอใจไหมเรื่องไม่เป็นที่พอใจแล้วเราจะเดินยังไงต่อไปภายภาคหน้าอันนี้เราสร้างเองลนะที่นี้นะตั้งตนใหม่ตั้งตนไว้ชอบแล้วนะตตั้งตนใหม่แล้วนะถ้าว่าเราไม่ตั้งตนรอๆเลยแแล้วจะกลับไปทำชั่วซะอีกนะมันจะต้องถลำลงไปทางต่าอีกหนะเพราะอะไรเพราะว่า มาถึงจุดนี้แล้วปัจจุบันปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นั่นแหละมีคุณค่ามากเีนะ้เราจะทํายังไงให้ปัจจุบันมีคุณค่าในเมื่อทําปัจจุบันให้มีคุณค่าอนาคตก็ต้องมีคุณค่านะถ้าทำปัจจุบันทําให้เสียหายอนาคตก็เสียหายได้ทำ ไ, ดทำไมเอาทิอทำให้เชื่อหลวงพอนะ่อปุบ ป, ปับลุกมาเดี๋ยวนี้เดินมาเอามีดไปยาหัวคนนั้นคนนี้สิ อ, อ, อนาคต วันพวกนี้ก็ต้องไปนอนในคุกเลยสินี่เพราะอะไรเพราะมันทํากรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วลงไปแล้วนะมันก็ต้องไปติดไปอยู่ในคุกไปอยู่ในตารางนะงั่นเพราะอะไรเพราะตัวเองทํากรรมชั่วนี่แหละถ้าว่าเราอยู่ในเดี๋ยวนี้เป็นผู้คิดดีทดําดีจิตใจปลอดโปรง่งจิตใจภาวนาจิตใจผีมีเมตตามิจิตใจสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้จิตใจเป็นกุศล เมื่อออกจากที่นี่เราก็ไปบำเพ็ญคุณงามพรดีสั่งสมบูรณ์กุศลปัจจุบันปัจจุบันเป็นคนดีตลอดอนั่นแหละกรรมดีหรือผลของความดีจะให้ผลไปตลอดมีแต่ความสุขความเจริญงอกเงยต่อไปภายภาคหน้าจนถึงภาวนาขณะนี้จนได้สำเร็จเป็นพระหันปล่อยวางทางด้านจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นอนันตรายทุกขขังอนัตตาเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเห็นความเสื่อม ของร่างกายตัวเองไม่ยึดมั่นถือมั่นโอ้น่าเบื่อร่างกายของเราเนาใจของเราทําไมมายึดมั่นถือมั่นในตัวของเราถึงขนาดนี้ทําไมถือว่าทําไมลุ่มหลงหมัวเมาขนาดนี้ใจของเรานี่นะเพ่งมองเข้ามาหาตัวตัวร่างกายแล้วก็เพ่งมองเข้ามาหาตัวใจคือตัวผู้รู้จากนั้นเมื่อเรารู้ ร่างกายแล้วเป็นอนันหนจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งเขาเผาไฟทิ้งแน่เนิ่ ใ, ใจเนะิ่ร่างกายของเรานี่นเะนี่ยเพ่งมองเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจอใจเมื่อรู้แล้วนะออันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมอันไหนควรประพฤติปฏิบัติปัจจุบันให้ดีที่สุดอันไหนที่ทําดีคิดได้ทดําดีอย่าไปคิดว่าคนอื่นคนอื่ น, ค น, นคนอื่นนะ คนอื่นเขาจะมีอะไรเหมือนกับเราไปตําหนะิหมาไปตําหนิวัวตําหนิควายตําหนิช้างตำหนิ ส, สัตว์ทั้งหลายใส่ดงใส่เดือนตัวปุ่งตัวนอนแต่ละสัตว์ประสาทไปตําหนิทําไมไปตําหนิให้โงงทําไมทําไมไม่มองตนเองถ้ามองตนเองเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรจะทําให้มันดีขึ้นทำมันดีเลิศจะพัฒนาอย่างไรในตัวของเราเดี๋ยวนี้ใจของเรามันคิดในเรื่องอะไรมันไปทางไหน ไม่ไปทางโทสะสมไหมหรือการมาลาคะแล้วมันหลงอะไรมันหลงคิดว่าตัวเองจะไม่ตายจะอยู่ในโลกนี้ชั่วฟ้านินสรายอย่างนั้นใช่ไหมออใจถ้าเรามองดูตนเองอยู่เสมอเสมอนะออใจของเราจะรู้จะมีสติมีปัญญากระตุกศาสตร์จวาบไปแลวกระตุกจิตกระตุกใจของเราไม่ให้มันลุ่มหลงมัวเมา เ, เพ่งนอกจนเกินไปถ้าคนโดยมากมันเพ่งนอกนสาาทาญาต์โจมลูกหลา น, นะาโดยมากไปหลวงพ่ออินทไม่ดียังอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นอย่างนั้นอไม่รู้กี่อย่างหลวงพ่อกดไม่รู้จติตยังไงพวกเขามาตําหนิใช่ไหมล่ะแต่ตามไม่จริงมันชี้นิ้วไปหาคนอื่นแต่มันนิ้วนะมันกลับมาหาตัวเองไม่ดูนะโดยมากไปนเป็นอย่างนั้นน่ะ อ่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าให้ท่านแล้วหลวงพ่อบางบางทีบางครั้งกับเพ่งไปนอกอีกเหมือนกันอ่าแต่ตามเป็จริงหลวงพ่อเนี่ยพอแพ่งเสร็จแล้วหลวงพ่อโอปพรนายโกนะสรรพสัตวทั้งหลายเป็นไปตามกรรมตามกรรมของใครของเราเนาะเราจะไปตำหนิเขาก็ไม่ได้อ่อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยกยอ่องอัครสาวกของพระพุทธองค์ไม่ใช่ท่านยกย่องอย่างเดียวหมดนะ อมันตั้งหลายอย่างอครสาวกอจิติมหาสาวกกคนหนึ่งได้รับเอธะทัคะทั้งหนึ่งคนได้รับวิเอทะท้งเอคะทัคะทางหนึ่งนะเอเพราะฉะนั้นจะให้ไปทางเดียวกันได้ยังไงมีตปุตชนคนโง่เง่าเต่าตุ๋นท่านเองอยากจะให้เป็นอย่างใจของตนเองเอมันกรรมของใครของเรากรรมคือการกระทําของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน อย่างพระศรีวลีอย่างที่ท่านรวยทําไมท่านจึงรวยท่านก็สร้างบุญบา ร, รมีมาในอดีตชาติไม่ใช่สร้างธรรมดาตั้งความปรารถนาเอกนะท่านเห็นพระพุทธเจ้าตั้งพระสาวกองค์หนือว่านิษดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายสมัย พ, พระพุทธเจ้าปฐุมมุตระนะดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายในบรรดาลูกศิษย์ของเราตถาคตเนี่ย นี่แหละพระเถระท่านนี้แหละที่เป็นผู้มีลาภมากที่สุดในบรรดาลูกศิษย์ของเราพระศิวลีได้เย็นกับหมุกหมับในใจออืสาธุเนอรู้ฆ่าเนี่เ อ, เ, อ เ, อเอาเอาตำแหน่งนี้ล่ะเอ า, เอาตำแหน่งพระเถระท่านนี่แหลอาจากนั้นทําบุญมากน้อยก็ขอสาธุเนอร์ผู้าเกิดมาพบได้ชาติใด ขอให้เป็นคนที่ร่ำรวยคําว่ายากจนจะให้มีกับข้าพเจ้าในข้าพเจ้าเกิดในภพภูมินั้นบําเพ็ญมานี่ยถึงจะมากน้อยถึงจะพูดออกปากไม่ออกปากกันึกในใจขอให้ข้าพเจ้ารวยออยู่ในจิตในใจตลอดอพอได้มาพบพระพุทธเจ้าออีกถึงท่านก็เออนี่น่ะวิญญาณดวงนี้น่ะเขาตั้งความปรารถนาเขาอยากจะรวยจะได้รับเอธะตะคะ เหมือนกับพระสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่อยากจะเป็นคนรวยนี่แหละต่อไปเขาจะเป็นคนรวยนะนี่คนวิญญาณตรงนี้ต่อไปแล้วคนนั้นก็รวยขึ้นมาอีกเหมือนกันนี่เกิดมาในศาสนาพอได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์นะจ๊ะนั้นกน็ได้รับเอตคาแล้วนี่แหละพิจูองค์เนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นเขาตั้งความปรารถนาเขาอยากจะเป็นคนรวยอยากจะคําว่า จน่าได้มีเพราะนะัอิติเลกราบของเขาเลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายอย่างพระศีวลีนพระพุทธเจ้ายังพึงพาอาศัยบา ร, รมีของพระองค์ราองศีวลีพระอนุ์กราบทูลพระพุทธเจ้าที่จะไปโปรดจะไปเยี่ยมท่านลูกน้องชายของพระสารีบุตรที่สมมาเนรเลวาตาอายุเจ็ดขวบที่ไปอยู่ตามลาพังหนีไปบวชเข้าไปอยู่ในป่าไปบำเพ็ญ พระองค์พร้อมกับภาษาริบุตรจะไปเยี่ยมน้องชายเมื่อออกพรรษาแล้วไภาราลิบุตรจะไปที่ไหนล้วไปกับใครกับผมจะไปเยี่ยมน้องชายเลวะตะกับผมน้องชายคนเล็กกับผมเป็นสมณะอายุเจ็ดขวบเออเอ า, เาก็าจะไปด้วยนะภาราบุตรเอาเตรียมบอกพระสงฆ์นะแต่นั้นถ้าบอกพระสงฆ์ถึง5 0 0เน่เป็นไปเป็นภวนเลยน พวกไปกพระอานุ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าถ้าหาว่าไปทางตรงเนี่ยหมู่บ้านน้อยทางกันดานพระสงฆ์อาจจะไม่มีอาหารเพียงพอถ้าไปทางโน้นไปทางโคง้งจะมีหมู่บ้านที่เป็นเมืองจะไปได้ยงวกเข้าไปอาหารบิณฑบาตพระสงฆ์ตั้ง 500, ห้ารเนี่ยคงจะสมบูรณ์คงพี่ คงจะไม่ฝืดเคืองพระเจ้าข่าพระองค์จะไปทางไหนหนอะพระองค์บอกว่าอานนสิววีมากับเราไม่เนี่ยพระสิวรีมากับเราไม่เนี่ยมาพระเจ้าค่าสิวรีมาด้วยพระเจ้าค่าเออนะั่นแหะถ้าสิวรีมาแล้วไปไปทางตรงไม่ต้องกลัวอดอ่าขณะพระพุทธเจ้ายังพึ่งพาบุญบารมีของพระศิววีนะ จากนั้นพอจะนันนเดินทางตรงไปเลยลัดไปจังร้อยี่สิบกิโลนะทางตรงนะทางกันดารพอไปปักกฏปุ๊บพักสมานนะภูมิมะลุขะเทวดาแถบนั้นที่นั่งอยู่ยแก้วกิ๊กแถวนั้นนะเอ้ยพระพูเป็นเจ้าศีวลีของเรามาแล้วเว้ยพวกเราเตรียมอาหารไม่ใส่บาตรทาบุญกับพระผู้เป็นเจ้าของเรา ถ้าว่าพวกเราไม่ทําบุญไปอยู่มาใกล้พวกเราเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ทําบุญน่ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เ ท, ทวดาผู้ใหญ่ถึงอย่างพระอินทร์เรือว่าคอมเมนถ้าหากว่าชาวบ้านของเราไม่ดูกำนันเขาก็ตําหนิเราได้ในอำเภอตําหนิผู้ว่าราชการตําหนิเป็นส่วนราชการเพราะมันอยู่ในตําแหน่งทุกคนเนี่ยเทวดานี ผู้ใหญ่ตำหนิไม่ดีเพราะฉะนั้นเทวดาเขาก็รวมกันเลยคืเอาอาหารมาถวายพระศิวะีถวายพระพุทธ้าพระสงฆ์โอ้อุหมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากเพราะได้พึ่งใบบุญของท่านพระศิวีะฤย์นี่แหละอันนี้แหละคืออเนกสงฆ์แต่ละท่านแต่ละคนแล้วจะไปตำหนิเขาได้ยังไงได้เถินี่ยพระสงฆ์ทางหลายกยจะตำหนิพระศิวะฤย์หบอกโอ้ทาไม พวกอื่นทำไมยากจนบินธบาตจะไม่พอฉันเอาแต่บางโอนก็จนก็จนจริงๆนะบินธบาตจนไม่พอฉันผลที่สุดภาษาริบุตรลูกศิษย์ภาษาท่านภาษาลิบุตรอัครส า, าวกพระพุทธเจ้าเธอบินธบาตตั้งแต่บวชมาเกิดมาเธอเคยกินอิ่มไหมไม่เคยอิ่มพระาะจะไม่เคยอิ่มครับผมบอกพระอุปชาเอาทําไม พอกินเข้าไปแล้วมันอาหารมันหายมันหมดบางทีเมื่อความบั้งอะไรมันเป็นมีความเป็นไปครับผมเออเอาวันนี้นะเราจะจบจับขอบบาทคล้ายๆวันให้องค์นั้นนั่งชันลูกศิษย์ น, น, นั่งฉันต่อหน้าพระสารีบุตรจับขอบบาททั้งสองข้างจับขอบบาทเอาชันเอาเลยพระ ลูกศิียดแล้วก็นั่งแล้วก็ฉันแล้วนะฉันต่อหน้าเลยฉันพระอุปชาให้ฉันเนี่ยลูกเสียดภาษารีบุตรเพราะฉันอิ่มนะเพราะฉันอิ่มโอ้เป็นบาปกรรมอุปกรรมของข้าพระเจ้าเองที่ได้ทํากรรมไว้ไม่ดีพอกินอิ่มวันนั้นเป็นวันสุดท้ายวันนี้กับผมขอลาปรินิพานนะครัผมทั้งที่ท่านาเป็นพระหรหันนะแต่บาปกรรมของท่านวิบากกรรมของท่านในอดีตนี่แหละ กรรมน่ยกรรมชั่วนะอย่าคิดอย่าทำซะเลยดีกว่าในเมื่อเราคิดทําคิดทํากรรมชั่วและกรรมชั่วจะให้ผลนะตนเองนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกล่ะใครนะตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เ, เพอไปเบียดเบียนผู้ไม่เบียดเบียนตอบนะอไปเบียดเบียนผู้ที่ไม่เบียดเบียนตนเองมิตรหาเรื่องหาเรื่องอใส่คนอื่นเข้ า, าแต่พอจากนั้นมานะกรรมชั่วตอนนั้นให้ผละผลที่สุด ท่านก็เลยลาปรินิพานกับผมขอลาปรินิพานกับผมเออเอาไป พ, พระหันตายไม่ได้ไม่ได้ยากเลยจะทายาตโยมพระเนนลูกหลานพอจัพอท่านถึงเวลาท่านก็ทิ้งธาตุขันทิ้งพาชพาชนะดินไปรับพ า, พาชนะทองคาคือท่านเข้าสูม่มรรคผลนิพานไปเลยท่านก็ทิ้งธาตุขันของท่านนี่แหละอันนี้ก็คือความยากจน ถึงพูดถึงความยากจนก็มีผลพูดถึงความร่ํารวยก็มีพระในครั้งพุทธกาลมันมีหลายๆระดับนะเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทั้งนั้นให้รู้จักเขาให้รู้จักเราให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นธรรมไม่เป็นธรรมการเทศาการสถานที่บุคคลนี่แหละท่านเราใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนอย่างนี้แล้วนะการที่จะ อิจฉาพยาบาทอาฆาตถ้าดูถูกเกียรยามคนอื่นอยู่ในจิตในใจของเรามันจะน้อยถอยลงนะแต่ถ้างาว่าเราไม่ได้คิดในจุดนี้หละความพยาบาทอาฆาตความจองเวรหรือความอิจฉาเขามันจะท่วมท้นหัวใจอย่างมากๆทีเดียวอิจฉาเขาทำไมกรรมของใครกรรมของเราใช่ไหมล่ะบุปผกรรมของใครบุปผกรรมของเรา ทำไมคนคนนี้จังได้เป็นนายอำเภอทำไมจะเป็นผู้วา่าราชการจังหวัดคนต่างเยอะแยะทำไมไม่ได้เป็นฮ้ทาไมควรจะให้ทุกคนเป็นนายอำเภอจะว่าอย่างนั้นมันมันของใครของเรานะบารมีของใครของเราใครบารมีถึงมก็ไดนะ้แต่ถึงจะเป็นนายอำเภอก็เถอะนะแต่ถ้านายอำเภอถ้านายอำเภอทําผิดนมันก็ผิดอย่างเกา่านะอันนี้ก็เหมือนกัน่ ถ้าหาว่าได้เป็นพระหรหัสอย่างเดียวจบนะได้เป็นพระหรหัสแปลว่ า, าแปลว่าเป็นอโหสิกรรมท่านตำกว่านั้นลงมาน่อย่าไปมุ่งหวังอะไรเลยนะพร้อมที่จะอารมตุงปองตกตำได้ง่ายๆเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะ อ, อย่าไปรวยพอเป็นพอไปพออยู่พอกินพอใช้พอสอยอพอ ได้บำเพ็ญคุหาคุณงามความดีเข้าสู่มรรคผลนิพพานลูกเต้าเหลาหลานของเราคนน่ะพอเป็นพอไปแล้วกันเออเอาละตามอัตภาพของเราเกิดมาพบนิชชาินี้มันคงจะเพียงแค่นี้แหละ <c oughs> คงจะไม่มากกว่านี้ก็มั่งแต่รู้จั ก, จกเศรษฐกิจพอเพียงเพียงพอแล้วก็มีความสุขใจในระดับหนึ่งนะ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร